จเจริญกลับมาอยู่วัดพรมบุรีนั้นการสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นลงแล้วท่านสมภา์เล่าว่าพวกชาวบ้านพากันมาช่วยทุกวันนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพรมบุรีซึ่งครูจะเกณฑ์เด็กนักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 ไปช่วยกันขนอิฐจากท่าเรือมายังวัด เด็กโตจะขนเที่ยวละ 5-7 ถึงก้อนเด็กเล็กเที่ยวละสองถึงสก้อนเด็กเล็กบางคนอยากได้บุญมากก็ขนครั้งละหลายก้อนเท่าเท่ากับเด็กโตพวกเด็กนักเรียนไม่มีเงินทำบุญเหมือนพวกผู้ใหญ่จึงเอาแรงกายเข้าช่วยเพื่อจะได้บุญอย่างผู้ใหญ่บ้าง เย็นวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังสงน้ำอยู่ข้างกุฏิของท่านลูกศิษย์ท่านสมพานก็มาแจ้งว่าอลงพี่ท่านสมพานให้ไปพบที่กุฏิของท่านด่วนหรือเปล่าท่านถามก็คงด่วนแหละแต่ก็คงไม่ด่วนถึงกับต้องไปทั้งเปียกๆอย่างนี้หรอกเอาไว้นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะครับผมไปละ เด็กหนุ่มกลับไปได้สักพักพระเจริญก็ส่งน้ำเสร็จท่านจัดการนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปที่กุฏิท่านสมภารหลวงพ่อเรียกหาผมหรือครับท่านถามเมื่อกราบสามหนแล้วถูกแล้วมีธุระจะว่ายวานหน่อยเห็นว่าเธอใช้คลองดีก็เลยต้องเรียกหาเธอ รูปอื่นหนะักไม่ค่อยจะรู้ประศีประสาเวลาใช้ใครลุงพ่อชอดจะชมรูปนั้นและตำหนิรูปอื่นพระหนุ่มรู้นิสัยท่านดีและมิได้ถือสาลุงพ่อจะให้ผมทำอะไรหรือครับถามตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นท่านสมภารจะต้องอารำพบทอีกนานคืออย่างนี้ กำนันสร้างเขาตายญาติเขามาบอกว่าจะนำศพมาเผาที่วัดนี้แต่วัดเรายังไม่มีเมนเาผาผีเลยจะให้เธอไปเช่าเมนที่หัวเวียงศพคนใหญ่คนโตต้องเผาเมนจะเผาในป่าช้าอย่างศพชาวบ้านเขาจะหาว่าไม่ให้เกียรติเขาคงไม่ว่ากระมังครับคนตายไปแล้ว คงไม่ลุกขึ้นมาว่าท่านสมภารแน่นอนพระหนุ่มแซงทําเป็นซื่อเพราะไม่อยากไปฉันหมายถึงญาติพี่น้องของเขาคนตายนะเขาไม่ว่าแน่เธอช่วยไปเฉาไม่หน่อยนะจะไปเฉาที่บ้านแพนหรือที่หัวเวียงก็ได้ผมไม่เคยไปทั้งบ้านแพนทั้งหัวเวียงแล้วจะไปถูกหรือครับ เรื่องนั้นไม่สำคัญท่านจะบอกทางให้พรุ่งนี้เท้าเดินทางเลยนะให้ผมไปคนเดียวหรือครับน่าจะมีลูกศิษย์ไปด้วยท่านต่อรองจะไปทำไมเหตุเปลืองค่าเรือเธอไปคนเดียวหนาดีแล้วท่านจะจ่ายค่าเรือให้ถ้าเช่นนั้นผมจะจ่ายส่วนของลูกศิษย์ผมอยากมีเพื่อนไปด้วย เพราะยังไม่เคยไปมาก่อนงั้นก่อตามใจผมขอลูกศิษย์หลวงพ่อไปด้วยนะครับไม่ได้หรอกฉันมีงานสำคัญที่จะต้องใช้เขาถ้าเธออยากมีเพื่อนก็ไปหาโอาเองหลวงพ่อชอบพูดบ่ายเบียงเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลือง รุ่เช้าพระเจริญจึงต้องเดินทางแต่ผู้เดียวเพราะหาเพื่อนไม่ได้ท่านสมพานให้ค่าเรือมา20บบาทและบอกให้ท่านนั่งเรือไปลงที่ผักไห่จากผักไห่จึงว่าจ้างเรือไปส่งที่หัวเวียงซึ่งมีเรือรับจ้างจากผักไห่ไปหัวเวียงหลายลำพระหนุ่มต้องงดการไปบินทบาทเพราะต้องออกจากวัดตั้งแต่ตีห้า ท่านเดินไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าน้ำพรมบุรีบังเอิญเจ้าของเรือรู้จักกันจึงไม่เก็บค่าโดยสารเรือล่นไปเรื่อยๆจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วยจึงถึงผักไห่ตอนสามโมงเช้าลงจากเรือและอนุโมทนาเจ้าของเรือแล้วท่านจึงเดินไปถามหาเรือหางยาวที่จะไปบ้านหัวเวียง หลวงพี่จะไปทําอะไรที่นั่นเจ้าของเรือหางยาวถามจะไปหาเช่าเมนเขาว่าที่นั่นมีเมนเผาศพให้เช่าใช่ไหมครับมีเยอะแยะผมรู้จักบ้านนายสงา่าเขาเป็นเจ้าของเมนอยู่หัวเวียงมีเมนร่วมสิบหลังไว้ให้เช่ามีไฟประดับตกแต่งให้เสร็จท่านไปเลือกดูได้เขารับจ้างตั้งเมนด้วย เจ้าของเรือบอกพาไปส่งที่นั่นเอาเท่าไรย่ส0บบาทไปกลับขอห้าสิบเขาบอกสนนราคาทำไมต้องห้าสิบไปกลับก็40สิบหรือไม่ก็ลดเป็น35มห้าอ้าวก็เวลาท่านไปถามกว่าจะตกลงผมก็ต้องเสียเวลาคอยขออีกสิบบาทค่าเสียเวลา สี่สิบบาทไม่ได้หรือท่านต่อรองหาสิบบาทขาดตัวไม่เดี๋ยวราคานี้ผมก็ไม่ไปเขาถือโอกาสโกงราคาเพราะเหลือเรือเขาอยู่ลำเดียวหากท่านจะรอลำอื่นก็คงอีกนานไปก็ไปพระหนุ่มตัดสินใจแล้วจึงก้าวลงไปนั่งในเรือเจ้าของติดเครื่อง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 และมีสะพานทอดไปสู่ท่าน้ำบ้านทาสีเขียวอ่อนดูสวยงามเจ้าของเรือบอกท่านว่านี่แหละบ้านในสงาที่ให้เช่าเมนนี่แหละบ้านในสงาที่ให้เช่าเมนและติดตั้งให้ด้วยท่านไปถามเขาสิพระเจริญจึงลงจากเรือเดินไปตามสะพานเพื่อเข้าบ้าน เสียงคนขับเรือตะโกนหวกเวกให้หลังท่านฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดอะไรแท้จริงเจ้าของเรือเห็นเป็นโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้านสาวคนรักจึงตะโกนบอกท่านว่าท่านรออยู่ที่นี่นะอีกจมงผมจะมารับพระหนุ่มหันกลับไปเพื่อจะถามว่าเขาพูดอะไรทว่าชายหนุ่มขับเรือออกไปเสยแล้ว ท่าทางรีบเร่งยังกับจะไปตามหมอตาแยมาทําคลอดให้คนกําลังปวดท้องออกลูกเห็นท่านเดินตรงมาคนในบ้านก็พากันกรูออกมาต้อนรับราวกับว่ากําลังคอยท่านอยู่มีทั้งคนสาวกลางคนและคนแก่ปากก็ว่านิมนต์ครับนิมนต์เจ้าค่ะทุกคนมีท่าทางดีอกดีใจ และต้อนรับขับสู้เหมือนว่าคุ้นเคยกันมานานเมื่อจะเข้ามาในบ้านเขาก็ตักน้ำล้างเท้าให้ท่านมีผ้าขนหนูสีขาวสะอาดวางไว้สำหรับให้เช็ดเท้าท่านรู้สึกประทับใจในการต้อนรับหากก็สงสัยว่าได้เกิดอะไรขึ้นครั้นเดินเข้ามาในบ้านเขาก็นิมนต์ให้นั่งมีอาสนะปูไว้เรียบร้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสำรับกับข้าวปรรจุอยู่ในโตะมีปั้นน้ำร้อนน้ำชาครบครันเหมือนว่าจะเตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะความสงสัยมีมากเกินกว่าจะเก็บไว้ในใจจึงต้องถามขึ้นว่าอะไรกันนี่คงไม่ใช่อาตมานะท่านเวยๆเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พวกผมรับศีลก่อนชายวัยสี่สิบเศษพูด แล้วบอกทุกคนณนะที่นั้นว่าเอาอาราธนาศีลพร้อมกันเดี๋ยวท่านให้ศีลด้วยนะประโยคหลังเขาสั่งพระเจริญบุรุษนั้นพูดจบเสียงอาราธนาศีลก็ดังขึ้นพร้อมกันเมื่อพวกเขาอาราธนาศีลจบท่านจึงจำต้องให้ศีลทั้งที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารับศีลจบ ก็กล่าวคำถวายสังฆทานและถวายพัตหารเสร็จแล้วจึงนิมนต์ท่านฉันสตรีอาวุโสกว่าเพื่อนกล่าวว่านิมนต์ท่านฉันเพลนตามสบายเจ้าค่ะแล้วลูกชายดีฉันจะเล่าถวายว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงอาหารที่เขาจัดไว้อย่างประณีตมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน และแม้จะหิวหากพระหนุ่มก็ฉันไม่ลงท่านคิดไปว่าเขาคงจะเตรียมไว้ให้พระรูปอื่นที่ได้รับนิมนต์ไว้เมื่อเอินพระรูปนั้นไม่มาจึงโมเมถวายท่านเพราะได้เวลาฉันเพนพอดีในเมื่อเขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่านเหตุใดท่านจะไปฉันของเขาคิดดังนี้ท่านก็รวบช้อน หลังจากฉันไปเพียงสองคำอาหารไม่ถูกปากหรือครับท่านจึงฉันไม่ลงบุรุษคนเดิมถามฉันอีกสักหน่อยเถอคะค่ะประเดี๋ยวท่านจะหิวหญิงสาวหน้าตาสะสวยขยันขยอให้ท่านฉันดูเหมือนหล่อนจะอายุน้อยกว่าทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณนะที่นี้และคงน้อยกว่าท่านด้วย ไม่เป็นไรเรื่องหิวอาตมาพอทนได้แต่เรื่องสงสัยนี่นะมันอึดอัดใจเลือกเกินช่วยเล่าให้อาตมาฟังหน่อยเถอะตกลงครับบุรุษคนเดิมพูดและจึงแนะนำบิดามารดาน้องชายน้องสาวให้ท่านรู้จักเรื่องมันเกิดขึ้น เ, นเพราะน้องสาวคนเล็กของผมคนนี้เขาชี้มาที่สตรีอายุน้อยที่สุด ซึ่งได้แนะนำแล้วว่าหล่อนชื่อเชิญสีโยมทําบุญเรื่องอะไรกันไม่ใช่อัตมานะอัตมาจะมาหาเช่าเมนนี่บ้านในสงหาใช่ไหมทุกคนดูเหมือนจะร้องขึ้นพร้อมกันว่าอุ๊ยไม่ใช่บ้านในสงหาถัดไปอีกห้าหลังท่านลงผิดบ้านใช่แล้วแต่ก็แปลกที่ท่านมาสี่โมงครึ่ง ตรงกับที่น้องสาวผมน็อตไว้พอดีเขาต้องการพูดคำว่าโน้ตน็อตอะไรพระหนุ่มไม่เข้าใจคือน้องสาวผมเขาจดเอาไว้นะครับว่าวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2498เวลา4โมงครึ่งตอนเช้าจะมีพระลูกชายของเขามาที่บ้านให้เตรียมสำหรับกับข้าวไว้ตอนรับ แล้วท่านก็มาตรงเวลาไปเองเลยพวกผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยิ่งฟังโยมพูดอาตมาก็ยิ่งงงเกิดอะไรขึ้นหนอผมน่ะ ง, งงยิ่งกว่าท่านอีกครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนผมคงคิดว่าโตเองฝันไปเอาละผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะหายงงหรือใหม่ก็งงหนักขึ้นแล้วบุรุษนั้นจึงเล่าว่า คือแม่เชิญศรีน้องสาวผมคนนิกเขาฝันท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเล้วไหลนะครับฟังผมเล่าให้จบก่อนเพราะผมเองก็เคยคิดอย่างนี้แต่พอท่านมาผมก็ชักจะเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างที่แม่เชิญศรีเขาฝันบุรุษวัยสี่สิบเศษเล่าด้วยเสียงดังฟังชัดทุกคนณที่นั้นต่างฟังอย่างตั้ง อ, อกตั้งใจ ภิกษุหนุ่มปรายตาไปมองหญิงสาวแว็บหนึ่งแล้วถามว่าโยมเขาฝันว่ายังไงหรือพี่ชายนางสาวเชิญสีตอบว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขาหนังสมาธิแล้วฝันสามวันสามคืนติดติดกันว่าตัวเขาเมื่ออดีตชาติตัวเขาเมื่ออดีตชาติเขาอยู่อายุทยา เขามีลูกชายคนเดียวและลูกชายของเขาคนนั้นได้กำลังรบทับจับศึกเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยานานมาแล้วและลูกชายของเขาได้ตายในสนามรบเขาก็ร้องหฮมร้องไห้ว่าอย่างนี้ว่าลูกชายเขาต้องจากไปบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ชีวิตของเขาด้วยความฝันฝันสามคืนติดติดกัน แล้วในฝันนั้นเขาก็บอกว่าลูกชายกำลังรบทับจับศึกแล้วก็โดนกลดศึกวิธีฆ่าลูกชายของเขาถึงแก่ความตายเมื่อสมัยอยุทยาแตกทับในวันนั้นน่าแปลกที่พระหนุ่มมีความรู้สึกเหมือนเรื่องที่กำลังฟังอยู่นั้นเป็นเรื่องราวของตัวท่านใจเคลิบเคลิมลอยล่องไปหาอดีตที่ดูเหมือนว่า ผ่านมานานแสนนานครันรู้สึกตัวจึงกำหนดฟังหนอฟังหนออยู่ในใจเขาฝันอย่างนี้สามคืนติดติดกันแล้วก็อีกคืนหนึ่งเขาฝันว่าลูกชายเขาคนนั้นมาเป็นพระภิกษุบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนแล้วในวันที่หากุมภาพันธ์9 8 เวลาสี่โมงครึ่งตอนเช้าลูกชายของเขาเมื่อครั้งอดีตชาติจะมาฉันเพงทีบานถ้าหากว่ามีพระมาในเวลานั้นต้องเป็นลูกชายเขาแน่ที่รบทับจับศึกและโดนกลนศึกขาดตายในสนามรบขณะที่พี่ชายเล่านางเชิญศรีนั่งเงียบกริบ น้ำตาซึมออกมาจากหน่วยตาทั้งสองเป็นน้ำตาแห่งความปิติอินดีที่ได้พบลูกชายในอดีตชาติหล่อนเชื่อซะยิ่งกว่าเชื่อว่าพระภิกษุรูปนี้เคยเป็นลูกชายแม่เชิญสีเขาก็สํานึกอยู่ตลอดเวลาเขากล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าดีฉันฝันอย่างนี้ผมก็บอกเขาว่าเอ็งนี่บ้า ไม่เข่าเรื่องเข้าราวเป็นสาวเป็นแสมาวัดตัวเองมีลูกแต่เขาก็เชื่อมั่นของเขาอย่างนั้นเขาบอกต่อไปว่าแน่นอนเหลือเกินในวันที่หากรุมภาพันนี้เตรียมทำอาหารทับพระองค์ไหนมาบานเราเวลาสี่โมงครึ่งต้องใช่อย่างแน่นอนเขาเชื่อมั่นของเขาเหลือเกินแล้วเขาก็บันทึกหลักฐานไว้ครบ เล่าจบเขาจึงถามท่านว่าแล้วท่านไปยังไงมายังไงล่ะครับถึงได้มาสี่โมงครึ่งพอดีพอดีอาตมาก็ไม่รู้สมภารท่านใช้มหาเมนนี่มาผิดบ้านหรือช่วยเรียกเรือหางยาวให้หน่อยเถอะท่านคิดว่าคนขับเรือคงมารอยอยู่ที่ท่าน้ํายังไม่เห็นมีเรือมาจอดเลยครับไม่ต้องห่วง เขามาเมื่อไรค่อยออกไปหรือถ้าเขาไม่มาผมจะเอาเรือไปส่งเองท่านอยู่วัดไหนครับอัตมาอยู่วัดพรหมบุรีโน่นนะโดยสารเรือจากสิงบรุรีมาลงที่ผักไห่จากนั้นก็ว่าจ้างเรือหางยาวมาส่งที่นี่คนขับเขาบอกว่านี่ล่ละบ้านนายสงา่าท่านนึกฉุนหนุ่มเจ้าของเรือ ที่ทำให้ท่านเสียเวล่ำเวลานายสงหาเขาไม่อยู่กรับท่านเขาไปติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลมันก็น่าแปลกนะครับที่เหตุการณ์มันบังเอิญมาประติดประต่อกันได้ผมชักสงสัยแล้วว่าเรื่องที่แม่เชิญสีฝันนะ่ะอาจจะจริงก็ได้ดิฉันก่อเชื่อค่ะมารดาของนางพูดขึ้น ส่วนบิดาไม่ออกความเห็นว่ากระไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่เชื่อก็โยมเขาอย่างสาวและยังไม่มีครอบครัวอาตมาจะเป็นลูกเขาได้ยังไงลูกในอดีตชาตินะเจ้าค่ะดิฉันมั่นใจอย่างนั้นนางสาวเชิญสีพูดทางน้ำตา ตามใจโยมก็แล้วกันแต่อัตมายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานดิฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเจ้าค่ะลแยง้งมันก็เป็นหลักฐานของโยมฝ่ายเดียวส่วนฝ่ายอัตมายังไม่มีอะไรที่พอจะให้เชื่อถือได้แต่เอาเถอะแล้วอัตมาจะพยายามหาหลักฐาน คงไม่เกินความสามารถหรอกนะดีฉันจะขอไปกราบเยี่ยมท่านที่วัดพรมโมรีบ้างจะได้ไหมเจ้าคะดีฉันฝังใจเหลือเกินว่าท่านเป็นลูกของดีฉันในอดีตชาติเสียงที่พูดบ่งบอกถึงความเชื่อมัน่นเชิญเลยจ้ะจะไปเรียนวิปัสสนากรรมฐ า, านก็ได้ อัตมมาสอนอยู่ที่วัดตอนนี้มีคนมาเรียนร่วมสิบคนแล้วจากนั้นการสนทนาก็เปิดฉากขึ้นท่านรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับพวกเขามานานไม่ว่าเขาจะซักถามเรื่องอะไรท่านก็ตอบได้ไปใชทุกเรื่องจนพวกเขาเกิดศรัทธาคุยกันเพลินจนเวลาล่วงเลยไปถึงสี่มงเย็น บิดาของนางสาวเชิญสีก็ถามขึ้นว่าท่านครับมั ก, กระลีผลมีจริงหรือเปล่าครับผมเคยฟังพระทันเทศเรื่องเวสันดอนชาดกบอกว่าปาหิมพานมีมั ก, กระลีผลด้วยท่านคิดยังไงครับยังไม่ทันที่พระหนุ่มจะตอบคนขับเรือก็เดินมาตามสะพานชะโงกหน้าเข้ามาบอกท่านว่า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 เพราะหล่อนเชื่อแน่นแฟ้นเหลือเกินว่าภิกษุหนุ่มคือลูกชายของหล่อนในอดีตชาติ